สองหมื่นหถ้าคิดเป็นเงินออกมาแล้วก็มีเป็นเงินทั้งสมเกือบสี่หมื่นล้านพวกเรายัางว่าจิบจ้อยอยู่เหรอเงินสองหมื่นที่มันอยู่เงินเงินคงค้างสองหมื่นนั้นมากกว่าอย่างนั้นใช่ไห้หลวงพ่อก็ได้พูดนะคล้ายๆก็ว่าผู้มีพระคุณต่อประเทศชาติจะเป็นผู้ใดก็ตามเราก็ต้องให้การสนับสนุน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 เพราะว่าเงินทองคำตัวนี้เขาไปค้ำในคลังหลวงก็ททำให้ธนบัตรของพวกเรามีคุณค่าเพราะนั้นเป็นของใครเป็นของประเทศชาติเป็นของพวกเราทุกคนเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไปนัสถานที่ต่างๆที่มาสัมผัสนะหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังนะต่อนนี้ไปตั้งใจฟังนะท่นนี้นะหลวงพ่อจะได้โพดแนวแถวธรรมะ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 กล่าวปรารบเรื่องงานเพื่อเป็นสลิดเพื่อเป็นมงคลและหลวงพ่อคงจะไม่ได้พูดคงจะไม่พูดยาวนานนะจะพูดหลักเหตุผลอะไรบางอย่างให้ฟังเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา8ปดห0สี่พันพระธรรมขันธ์มีมากมายแต่หลวงพ่อจะหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเท่านั้นละ่ะไม่มากเพราะว่า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 พอจวนสว่างท่านได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณถอดถอนกิเลสโลบโกรหลงราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระองค์พระไทยของพระองค์เป็นพระไทยที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละพระพุทธองค์ได้จัดตัดรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นคือตัดรู้ธรรมสมอย่างปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณอาสาวกยญาณ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 หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงปู่ต่างๆที่เป็นสิทธิญาณุสิทธิ์ของหลวงปู่มัน่นท่านเป็นผู้พิสูจน์นำพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์และก็หลวงปู่มัน่น เ, เป็นผู้แนะนําสั่งสอนคณะสิทธิญาณุสิทธิ์ขององค์ท่านลูกสิทธิ์ขององค์หลวงปู่มัน่นท่านก็ปฏิบัติตามตามแนวแถวของหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ท่านก็บอกว่าให้นั่งสมาธิ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 เราก็เอาเงินไปขึ้นเงินไม่มีในธนาคารถ้าเป็นเงินมากๆเราก็คงจะเสียใจอย่างมากทีเหมือนกันเพราะนั้นบางทีเขาย้อมตะก่วเพราะว่าเป็นทองคําเราก็ไม่รู้พอที่ไหนได้พอเขาไปแล้วเราจึงมาพิสูจน์ดูเป็นตะก่วเราเสียใจไปมเราก็เสียใจเพราะนั้นโกหกต้มตุนหลอกลวงคํนี้นะไม่เป็นผลดีทั้งสองฝ่าย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 ทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดให้ฟังชี้ประเด็นให้กับคณะสัตยาธิโยมลูกหลานได้ฟังทงัทง้ทงธรรมะด้วยทั้งวินัยด้วยวินัยคือสินศินคือวินยัยกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันคือศินแต่เรื่องธรรมนั่นก็นคือแนวความคิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดอธิบายให้ฟังว่าเรื่องสมาธิใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจอันนั้น